ควรที่จะใช้ในเวลาอยู่ในเพศวรนประชิทิ์หรือว่าควรที่จะใช้ในเวลาเป็นเพศฆฤหัตด้วยมเมื่อพิจารณาดูแล้วการปฏิบัติอบรมใจให้เป็นสมาธิและการปฏิบัติอบรมปัญญาพอสมควรเป็นประโยชน์ตลอดถึงเป็นฆฤหัตเพราะว่าการปฏิบัติอบรมใจให้เป็นสมาธินั้นเป็นการหัดทําใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่ทาใจให้มีกําลังสามารถไม่อ่อนแอ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 ธรรมะที่ยิ่งคือพิเศษหมายความว่าแปลกจากธรรมะในปีดกอื่นความหมายนี้ต่างจากคำว่าอภิธรรมอภิวินัยที่ใจในพระสูตรเพราะในที่นั้นคาว่าอภิหมายความว่าจำเพาะธรรมะจำเพาะวินัยคือมีเขตแดนไม่ปะบนกันอีกอย่างหนึ่งอภิในที่นั้นก็หมายความว่ายิ่งนั่นแหละแต่ไม่ได้หมายไปถึงอีกปิดกหนึ่งคืออภิธรรม หมายถึงโพธิปักกียธรรมอภิวิัยก็หมายถึงอาทิพรมจรรยกิกาสิกขาคือสิกขาบทมาในพระปาติโมแต่ว่าในที่บางแห่งคำว่าอภาิธรรมหมายความว่าธรรมะที่เป็นอธิบายทำลองอัตถกถาคือคถาที่อธิบายเนื้อความถ้าตามความหมายหลังนี้อภิธรรมก็คือเป็นตำราที่อธิบายธรรมะ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 คือหนึ่งธรรมะสังคณีแปลง่ายๆว่าประมวลหมวดธรรมะสังคณีก็แปลว่าประมวลเข้าเป็นหมู่หมวดธรรมะสังคณีก็แปลว่าประมวลธรรมะเข้าเป็นหมวดหมู่จำแนกออกเป็นสี่กันคือว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งจิต8ปดสดวงกันหนึ่งว่าดยรูปโดยพิสดารกันหนึ่งว่าด้วยนิเคปะแปลว่ายกธรรมะขึ้นแสดงโดยมุลราก โดยขันคือกองโดยทวารเป็นต้นกันหนึ่งว่าโดยอัตตุตาทานหรืออตตกถาคือว่ากล่าวอธิบายเนื้อความของแม่บทนั้นที่แสดงไว้ตั้งแต่ต้นกันหนึ่ง 2. วิพังแปลว่าจำแนกธรรมะลำพังศับว่าวิพังแปลว่าจำแนกมีสิบปวิพังคือขันทวิพังจำแนกขันอายตนาวิพังจำแนกอายตนะ ทาตุวิพังจาแนกธาตุเป็นตนสามธาตุกถาว่าด้วยธาตุแต่โดยที่แท้นั้นว่าด้วยขันอายตนาะธาที่สงเคราะห์กันเข้าได้อย่างไรและสงเคราะห์กันไม่ได้อย่างไรควรจะเรียกชื่อเต็มที่ว่าขันอาญตนะธาตุกถาแต่เรียกสั้นๆว่าธาตุกถาแบ่งออกเป็นสิบสี่หมวด มีการส่งเคราะห์กันได้การส่งเคราะห์กันไม่ได้แห่งส่วนทั้งสามนั้นเป็นต้น 4. ปุคละบัญญัติบัญญัติว่าบุคคลเป็นเบื้องต้นของคำภีนี้ได้แสดงถึงบัญญัติ6ประการคือขันธบัญญัติบัญญัติว่าขันธ์อายตนะบัญญัติบัญญัติว่าอายตนะธาตุบัญญัติบัญญัติว่าธาตุสัจจะบัญญัติบัญญัติว่าสัจจะ อินทรีย์บัญญัติบัญญัติว่าอินทรีปุคลบัญญัติบัญญัติว่าบุคคลแต่ว่าบัญญัติห้าประการข้างต้นนั้นได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์แรกๆแล้วในคัมภีร์นี้จึงได้กล่าวพิสดารแต่เฉพาะปุคลบัญญัติคือบัญญัติว่าบุคคลและเรียกชื่อคัมภีร์ตามนี้ในคัมภีร์นี้แยกบุคคลตั้งแต่พวกหนึ่งสองจมพวกขึ้นไปคล้ายกับในสุตตันตปิฎก อังกุตระลกายคือตอนที่แสดงธรรมะเป็นหมดๆมดแต่ว่าก็มีเงื่อนเขาอยู่ในคมภีอภิธรรมนี้เพราะมีคำว่าบัญญัติอยู่ด้วยอันหมายความว่าที่จะเป็นบุคคลเพราะมีบัญญัติชื่อว่าบุคคลเพราะฉะนั้นคำว่าบุคคลนั้นก็เป็นเพียงบัญญัติอย่างหนึ่งเท่านั้นก็เป็นลักษณะของอภิธรรม 5. กระทาวัตถุคำว่าวัตถุแปลว่าที่ตั้งแปลว่าเรื่อง คาถาวัตถุก็แปลว่าที่ตั้งของถ้อยคําเรื่องของถ้อยคําในคัมภีร์นี้ได้แสดงที่ตั้งของถ้อยคําซึ่งกล่าวโต้กันอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายสักาวาทะห้าอสูตรฝ่ายพระวาทะห้ารอสูตรรวมเป็นพันสูตรคือว่าพันเรื่องแต่ไม่ใช่เป็นคมภีร์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นคมภีร์ที่ว่าพระโมคคิริบุตรติดสัตเทระ แสดงในสมัยสังคายนาครั้งที่สเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปแล้ว200ปีเศษแต่ท่านก็ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในหรือว่าตั้งมาติกาคือแม่บทไว้ให้แล้วพระเถระได้แสดงไปตามแม่บทนั้นที่ท่านนับว่าเป็นพุทธภาษิตด้วยก่อนแต่นั้นจึงมีเพียง6กคัมภีร์โดยเฉพาะคัมภีร์นี้เองก็ถูกค้านเหมือนกันว่าไม่ควรใส่เข้ามา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 ทำนองจิตมาตานั่นแหละแต่อีกมติหนึ่งขัดข้านดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำภีกาถาวัตถุจึงเท่ากับว่าเป็นที่รวมของปัญหาโต้แย้งต่างๆที่เกิดมีมาโดยลำดับจนถึงในสมัยที่รวบรวมเรียบเรียงคำภีนี้ขึ้นซึ่งเป็นปรเรื่องที่น่ารู้น่าเห็นอยู่มากและเมื่อได้อ่านคำภีนี้ก็จะทราบว่าได้มีความเห็นแตกแยกกันในพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง เมื่อท่านแสดงถึงข้อที่แตกแยกโต้เถียงกันแล้วในที่สุดท่านก็ตัดสินเป็นข้อๆไปว่าอย่างไหนถูกก็เข้าเรื่องที่เล่าว่าพระเจ้าอาโศกใช้ราชานุภาพไปสอบสวนภิสุในครั้งนั้นปรากฏว่ามีพวกเดียรถีเข้ามาปลอมบวชเป็นอันมากแต่ตั้งปัญหาขึ้นถามโดยมีพระโมคคริบุตรติสเถระเป็นผู้คอยฟังวินิจฉัยเมื่อคาตอบนั้นส่องว่าเป็นลทัทธิภายนอก ไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนาก็ให้สึกไปเหลือไว้แต่ผู้ที่ตอบถูกต้องตามแนวของพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วก็ทำสังคยาณาครั้งที่สาม 6. ยมกแปลว่าคู่คำพีนี้ว่าด้วยธรรมะที่เป็นคู่คู่กันแบ่งออกเป็นสิบหมวดมีมูลละยมกขันธยมกเป็นต้น 7. ปัจฐาน คำพีนี้เรียกว่ามหาปรกรแปลว่าปรกรณ์ใหญ่หรือคำพีใหญ่คู่กันกับปรกรณ์ที่หนึ่งคือธรรมสังคณีว่าด้วยปัจจัย24มีเหตุปัจจโยคือเหตุเป็นปัจจัยเป็นต้นท่านนับถือว่าคำพีที่เจนี้มีอัตถะลึกซึง้งและแสดงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพ์นี้ที่รัตนคระเจดี เจดีเรือนแก้วที่แสดงแล้วนั้นเมื่อพิจารณาประการแรกๆมาฉับพันณะรังสีก็ยังไม่ปรากฏต่อเมื่อมาพิจารณาประกาที่เจนี้จึงปรากฏฉับพันณรังสีขึ้นก็รวมเป็นเจคัมภีร์ในคัมภีร์ที่หนึ่งธรรมสังคณีที่ประมวลธรรมะได้ตั้งแม่บทที่เป็นหมวดสขึ้นต้นว่ากุศลาธรรมะทำทั้งหลายที่เป็นกุศล อกุศลธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลอัพยากตาธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นอภยากฤตคือว่าไม่พยากรว่าเป็นกุศลหรืออกุศลถือว่าแม่บทนี้เป็นแม่บทใหญ่เป็นที่รวมของธรรมะทั้งหมดที่แสดงออกไปทั้งเจคัมภีร์เพราะว่าประมวลลงในแม่บทอันนี้ทั้งนั้น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 มาแต่งไว้โดยย่นยอ่อเรียกว่าคำพีอภิธรรมมัฏฐสังฆะแปลว่าสงเคราะห์คือสรุปความแห่งอภิธรรมยกหัวข้อเป็น 4, 1, 2, สี่คือหนึ่งจิตสองเจตสิกแปลว่าธรรมะที่มีในใจสรูปสนิพพานท่านแต่งเป็นคาถาสลับร้อยแก้วแบ่งออกเป็น9้าปริชเชตคือ9ก้าตอน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 กมาใช้เกี่ยวแก่การสดเป็นพื้นเช่นว่าสวดสดตอนกลางคืนก็สวดอภิธรรมทั้งเจคัมภีร์นี่เองแต่ว่าตัดเอามาแต่ข้างต้นคัมภีร์และเล็กละน้อยและเมื่อเวลาที่จะบังสุกุลหรือจะสดับปรกรณ์มีสวดมาติกาก็คือว่ายกเอามาติกาคือแม่บทจากคัมภีร์ที่หนึ่งมาสวดตอนหนึ่งขึ้นต้นว่ากุศลาธรรมาเป็นต้น คละคำพีอภิธรรมมัตสังหะนั้นท่านแต่งเป็นคาถาก็นำมาสวดเป็นสารพันยะในการศบอีกเหมือนกันคือถ้าไม่สวดอภิธรรมเจ็มคำพีก็สวดอภิธรรมมัตสังหะเป็นสารพันยะครั้นมาในตอนหลังนี้ได้มีผู้สนใจศึกษาอภิธรรมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจิตสวยอารมณ์ ได้กล่าวแล้วว่าอภิธรรม7คัมภีร์นั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์ได้ประมวลเนื้อความมาแต่งเป็นคมภีร์ย่อขึ้นอีกคมภีร์หนึ่งเรียกว่าอภิธรรมมัตสังขะแปลว่าสงเคราะห์เนื้อความของอภิธรรมยกหัวข้อเป็นสี่คือจิตเจตสิกรูปและนิพพานแบ่งออกเป็น9ปริเฉนคัมภีร์ย่อนี้เป็นที่นับถือและศึกษากันมาเป็นเวลาชานาน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 รับคันธารมอารมณ์คือกลิ่นทางค า, านทวารรับราัสารมอารมณ์คือรสทางชิวหาทวารรับโผฏฐพารลมอารมณ์คือโผฏฐพะคือสิ่งที่กายถูกต้องทางกายทวารรับธรรมารมอารมณ์คือธรรมะคือเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วในอดีตทางมโนธวาร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 ก็รู้รสอารมณ์นั้นเป็นจิวหาวิญญาณเมื่อสิ่งที่กายถูกต้องมากระทบก็รับกระทบอารมณ์นั้นเป็นกายวิญญาณเมื่อเป็นวิญญาณต่อไปก็เป็นปฏิชนะคือรับอารมณ์ต่อไปก็เป็นสันติรนะคือพิจารณาอารมณ์ต่อไปก็เป็นวัฏปณะกาหนดอารมณ์ต่อไปก็เป็นชวณนะคือแล่นไปในอารมณ์